เช้านี้รู้สึกดีขึ้ น, นรู้สึก<ร>จิ ต, จตใจเบิกบานาก็จะค่ะพี่แม่ไปสังเกตอย่างเดียวอย่างขนาดจิตเนี้ยกำลังประคองความรู้สึกตัวอยู่นะให้มันเรียบร้อยมันเรียบร้อยกว่าตัวจริงนึกออกไหมตัวจริงโซนตมารู้เคยเห็นมาตั้งแต่ปีสามเนี่ยนี่พี่จูเนียนะหลวงพ่อแฟชชี่พี่จูเนียตัวจริงขนาดไหนรู้เต้นหมดเต้นเต้นเก่งด้วยนะ